ใจเดียวกันเพื่อสรรสร้างงานช่วยคนป่าฝนพ้องมานต้องอดคนไว้ทางก้าวเดินบําเพ็ญมาทุกลําเข็นฟืนใจพยุง d p y o so u e a มุ่งหน้าที่สำคัญช่วยงานร่วมกันอย่าวันต่อไปงานข้างหน้าต่อไปจะทุกอย่างไรไมีวันเดินทางต่อวันที่ได้จุดหมาย สู่ทางบ่มเพนพร้อมเป็นผู้นำเวไ น, นให้ใจเหมือนพุทธะแล้วเดินทางต่อไปเปลี่ยนชนดังใจเมทีเพราะมีทิศทางชัดเจนช่วย